การใช้คำว่าคือถ้าเราถ้าถ้าเราอยู่กับรู้แล้วเรารู้ว่าในขณะจิตเนี้ยสังขารเราเนี่ยกําลังปรุงแต่งอยู่เมื่อเราเมื่อเรารู้ว่าสังขารเราปรุงแต่งอยู่แล้วมันหยุดปรุงแต่งต่อนี่แสดงว่าเราเนี่ย ไปควบคุมมันหรือเปล่าคะเราเอาผู้รู้ไปควบคุมมันหรือเปล่าคะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยเหมือนรู้รู้ว่ามีคนรู้ว่ามีตัวรู้ก็เลยหยุดไปโดยปริยายอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคือหนูยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้อะคะ่ะเพราะทุกวันนี้ก็พยายามดูเหมือนเป็นผู้รู้ที่ดูดูตัวเองบางครั้งมันก็ยังเกิดการปรุงแต่งเกิดอารมณ์โลภโกรธหลงหรืออะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็ เราก็จะเป็นเราก็จะมีเหมือนเป็นผู้รู้ที่รู้แล้วว่าสังขารเนี้ยกําลังปรุงตรงนี้อยู่นะอะไรแบบเนี้ยค่ะอจะเป็นไงอ่ะมันปรุงก็ปรุงเย่ย ม, มันจะปรุงอะไรบ้างมันแลแล้วบางครั้งมันก็หยุดปรุงต่อบางครั้งมันก็ยังต่ออะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่เราก็เห็นว่า อ, อ๋อมันมันปรุงจีนเองแสดงว่าเราหมายอ่ะ บางครั้งก็หยุดปรุงบางครั้งไปปรุงต่อเราไปหมายแล้วจะเอาหยุดปรุงเราไปหมายจะเอาหยุดปรุงใช่อทำมาใช่ของรู้มันได้แต่อะไรได้แต่รู้ออใช่หนูหนูถึงแบบยังสับสนตัวเองว่าตัวเองนี่คือยัยงยังไม่ได้เป็นแค่ผู้รู้ใช่ไหมคะยังคือเหมือนกับก็เข้าไปหมายกับมันอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดกรณีที่หนูแบบ อย่ารุงมันอย่าไปพยายามสร้างตัวเราให้เป็นผู้รู้อย่าพยายามไปสร้างตัวเราให้เป็นผู้รู้ไม่เช่นนั้นเราจะไปเออไปเลยจะทําให้เป็นรู้เฉยเยไม่ปรุงแต่งอะไรเลยมันไม่ใชเพราะว่ามันมันมีแต่ตัวเราที่ถูกรู้ธรรมชาติของผู้รู้มันไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่ปรากฏอะไรเลยเราผิดก็คือว่าเราพยายามสร้างตัวเราที่เป็นขันธ์หน้าให้มันเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่ง แต่แท้จริงในตัวขันหน้ามันเป็นยังไงอ่ะมันมีการยังไงที่ถูกรู้ได้มันเป็นขันหน้าหมดก็ลปล่อยมันช่างมันช่างมันก็ลปล่อยให้มันปรุงต่อไปอย่างนั้นเหรอคุณตาแล้วก็ช่างมันเนี่ยแล้วเป็นไงอแล้วเป็นไงพูดต่อพูดต่อป่าไงปล่อยก็ปล่อยให้มันปรุงต่อไป เราทาอย่างนั้นหนูไม่แย่หูไม่มีกิเลสแย่แล้ใช่ไหมต้องไปถาต่อล้วเกิดนั่นล่ะคือกิเลสมันก็จะเกิดอยู่ตลอดเลยว่าออืมันเหมือนกับอืมคือคือเหมือนหนูก็จะละรู้ละปล่อยวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่มีกิเลสได้ต้องเป็นอะไรที่มันปรุงไปกับกิเลสได้ต้องเป็นอะไรคนที่มันปรุงไปกับกิเลสได้ต้องเป็นอะไร ไอ้ผู้ที่มารู้วนเราตัวเรามีกิเลสกับไอ้คนที่มีกิเลสไอ้ตัวเราที่มีกิเลสเป็นตัวไหนอ่ะตัวที่มีกิเลสก็ขันห้าเออใช่ใช่แล้วทำไมกลัวว่าตัวเรามีกิเลสนะถ้าเรามาเป็นผู้รู้อะก็คือไม่ต้องกลัวเพราะมันจะมีกิเลสก็ปล่อยมันจะมีกิเลสก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยเหรอท่านเออก็มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันเป็นตัวขันห้าที่ถูกรู้ มันเอาขนาน้าไปปรุงแต่งได้แต่ขนาน้าแท้ๆมันมีกิเลสแต่มันถ้าเราไปยึดไม่อยากให้มันมีกิเลสหรือยึดให้มันที่ไปไปลังเกียจที่มันมีกิเลสหรือพยายามยึดให้มันไม่มีกิเลสแสดงว่าเราไปยึดในตัวขนาน้าที่ปรุงแต่งได้เนี่ยอ่อต่อๆตาเราว่างมากแล้วมาตัดมาคัดจังหวะซะได้พลังตาตา ใสมากเลยเอ้าว่าไงต่อเอ้าอ่านชัดๆกำลังจะปิ้งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเกืยวจะปิ้งและเอาต่ออาต่อต่อกินมงที่11จะขึ้นแล้วอ่ะว่าก็จะต่อต่อต่ออ่ะแหมกลังจะปิ้งตากำลังใส่อยู่อแหมก็ไม่ไม่ไม่มันไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายยังไงอะครับบางครั้งมันเป็นสิ่งที่แบบเอ่อก็คืออย่างคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนูก็ เหมือนกับที่ผ่านมาคือหนูไม่เคยปฏิบัติพอมันพอมาเริ่มดูผู้รู้ก็เริ่มดูตัวเองพอดูตัวเองแล้วก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างที่พระอาจารย์พูด น, นะคะก็ก็พอฟังแล้วก็เริ่มรู้ว่าอ๋อก็คือถึงหนูจะมีกีเลสดอะไรก็ก็แค่รู้ก็แค่รู้ แ, รแล้วก็ดูดูไปเรื่อยๆแล้วแบบนี้เนี่ย สังขารหนูมันจะละกิเลสได้ไหมคะสุงตาอันนี้หนูหนูหนูแค่ผู้รู้ที่ดูสังขารเลยถ้าแบบอยากให้สังขารมันละกิเลสได้เริ่มเป็นือเดี๋ยวกีก็พูดจ้อยจ้อ ย, ย, ยว่าอะไรมันมีอะไรก็แค่รู้มีอะไรก็แค่รู้อมันก็ได้แต่รู้แล้วเมื่อไหร่หนูจะเป็นสังขารหนูละกิเลสได้อาะมันเป็นตัวไหนเนี่ยอ<ะ>ยมันไม่ได้เป็นแค่มันไม่เป็นตัวรู้จะแล้วมันจะเป็นตัวตัวละกิเลส เหมือนมันยังแยกไม่ออกกับยังทิ้งไม่ได้ค่ะหลวงตาเขาจะเหมือนยังทิ้งตัวสังขารก็ยังใจมันยังไม่ทิ้งแต่ก็ฝึกที่จะเป็นผู้รู้เหมือนรู้เรียกยังไงคะคือคอยดูคอยดูคอยรู้ว่าว่ามันว่านะขณะตผิดเนี้ยคือสังขารเนี้ยมันคิดมันปรุงอะไรมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังเป็น มันก็ยังเป็นคนที่เหมือนเหมือนห่วงลูกเงี้ยค่ะก็เออจังยังห่วงลูกก็ยังห่วงสังขารว่าเออทําไมมันมันต้องมีกิเลสขึ้นตลอดเวลาเลยมีเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเข้ามาตลอดเวลาให้กับห่วงเนี่ยรู้ไหมเวลาห่วงอะห่วงบอกว่าห่วงลูกห่วงคิดห่วงจิตเนี่ยห่วงจิตมันจะมีกิเลสไม่อยากให้มีกิเลสมันห่วงลูกเวลาห่วงรู้ไหมเวลาห่วงเนี่ยห่วงจิตมันห่วงลูกอะรู้ไหม เวลาจิตมันห่วงเนี่ยเกิดความความห่วงห่วงจิตกังวลว่าจิตมันจะมีกิเลสเนี่ยรู้ไหมหเวลาห่วงลูกเนี่ยจะไม่รู้จิต <S <S <threatening> ไม่ใช่หมายถึงว่าเปรียบเทียบไปในจิตอะเวลาเรเววาเราห่วงจิตมันจะมีกิเลสเนี่ยเรากังวลว่าจิตมันจะมีกิเลสเรากลัวมันจะมีกิเลสเราไม่อยากมีกิเลสรู้ไหมโอ้อันนั้นไม่รู้อ่ะไม่รู้ตัวไม่ใช่ก็เวลาหนูเวลาหนูพูดึ้นมาว่าอันนี้เนี่ยเนจิตหนูมันมันกลัวมันจะมีกิเลสตอนนี้มันมีกิเลสแล้ว อตอนนี้มันไม่มีกินนเลสเรู้วน ร, รู้คือผู้ออกมาค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วะจิตที่มีกิเลสหรือจิตไม่มีกิเลสเนี่ยนั่ น, นคือมันเป็นตัวปรุงแต่งที่ถูกรู้แต่อันนี้อันรู้มันก็ได้แต่รู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมามันทํำอะไรไม่ได้หรอกมันได้แต่รู้อย่างเดียวเป็นรู้นั่นแ่ะแต่จิตที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับรู้เลยเพราะว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยพยายามรักษาให้มันไม่มีกิเลสเนี่ยอันนั้นถ้ากลับเป็นกิเลส เรารู้สึกว่าจิตไม่มีกิเลสแต่เรารักษาจิตที่ไม่มีกิเลสไว้อันนั้นน่ะเป็นกิเลสเอก็อต้องปล่อยมันให้มันเป็นไปตามสภาวะของมันแล้วก็ได้แต่รู้ได้แต่ดูได้แต่รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อถูกถูกถูกถูกถูกทั้งเมื่อไหร่ที่มันเ อ, อหลงเหม่อเพอเพลินไปแล้วก็เอาสติมาควบคุมมันอืมแล้วก็รู้ไว้รู้ได้แต่รู้ไปเรื่อยถูกถูกถูก แล้วก็ไม่ต้องไปควบคุมมันว่ามันจะ อ, อะไรยังไงก็คือรู้อย่างเดียวถูกถูกอีกพูดถูกก็ถูกอีกอ่าถูกๆูอ่าว่าไงอีกอออถ้าตรงนี้ก็พอเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาเข้าใจว่าจะปฏิบัติยังไงต่อกับกับสภาวะรู้ตรงนี้ค่ะไหนอธิบายที่แล้วว่ากลับไปจะปฏิบัติยังไงตลอดเวลาก็แค่รู้อะค่ะพอะเมื่อไหร่ที่เอ่อมันเอ่อเหมือน เวลาทํางานหรือทําอะไรก็แค่รู้ว่าเรากําลังปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่หรือว่าเมื่อไหร่ที่จิตเรากําลังคิดอะไรก็แค่แค่ให้รู้อย่างเดียวไม่ต้องไปควบคุมมันไม่ต้องไปคิดว่าไอ้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นหรือหรือไปกําหนดอะไรมันคือบางครั้งเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าเวลาที่เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะเราเราความ ความการรู้มันจะไม่ชัดเจนเหมือนบางครั้งถ้าเกิดนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้ได้ชัดเจนมากขึ้นว่าพอเวลานั่งสมาธิเราอยู่กับอยู่กับผู้รู้อยู่กับตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าจิตเราเนี่ยบางทีมันหลงมันมียังมีที่คิดเรื่องนี้หรือหลงไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็พยายามไม่เดี๋ยเรียกว่าพยายามก็คือเราก็ดูมันว่ามัน อย่างหนูนั่งสมาธิประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นอะไรที่จะหลงอยู่กับตรงนี้ก่อนก็คือเราก็จะดูมันมันก็จะหลงไปเรื่อยแต่มันจะมีแค่เสี้ยววินาทีที่มันจะแบบนิ่งจนไม่มีความคิดอะไรอยู่ตรงนั้นเลยสักประมาณได้ไม่กี่นาทีค่ะหนูตาแต่มันจะไม่คงสภาพนะคะมันก็จะเปลี่ยนสภาวะไปเรื่อยให้เราได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันมันมันมีอันนี้แทรกอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวก่อนพูดไปพูดมาตอนแรกก็ทํำท้าจะถูกปกไม้ตายอะอะไรมันเป็นยังไงได้แต่รู้เป็นอะไรได้แต่พเอารู้เอารู้รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้เมื่อกี้พูดไปพูดมามันนิ่งแค่แป๊บเดียวมันไม่สามารถนิ่งอยู่ได้นานคือหม่ยถึว่าสภาวะสภาวะที่รู้อะค่ะพอพอมันรู้ได้สักพักเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้รู้อยู่ตลอดเวลาหลวงตามันจะ มันจะมีเหมือนมีคลื่นแทรกอะค่ะในลักษณะที่แบบบางครั้งก็เป็นเป็นภาพอะไรก็ไม่ทราบแทรกเข้ามาบ้างแลวเดี๋ยวก็ทําให้เราหลงไปแล้วก็รู้กลับมารู้ใหม่กนจะแดงผ่าแปกเลยนันเนี่ยสติปัญญาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วดียดียหลายตอนนี่ถ้าจะแทรก้วหนูจะปิ้งกันมาได้เลยนะ เขพูดน si e ี่ถูกต ok so ้องหมดเลยอ่ะเนี่ยบางทีเรารู้รูแล้วมันก็เนี่ยมันมีคลื่นมาแทรกมันมีคลื่นมาแทรกใช่ไหมเหมือนเราฟังฟัตอนนี้เหมือนกับเขาเขาเขาเจียไม้เขาเขาใส่ไม้อะไรเนี่ยมาแทรกอ่าไอ้คลื่นที่มาแทรกอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราตั้งฟังกันอยู่สงบๆแล้วก็มีการเลื่อยไม้มีเขาก่อสร้างเนี่ยมาดูสิเสียงนี่มันแทรกไปเรื่ยล้มันหยุดการก่อสร้างมันมีเสียงกำลังเก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวกับรู้ไหม รู้มก็ได้รู้ว่ามีเสียงดังขึ้นรู้ก็ได้แต่เสียงว่าเสียงเรื่อยไม้เสียงก่อสร้างสงบไฟเราก็พูดอยู่เองว่าอ๋อมีอะไรก็ได้แต่แค่รู้เพราะมันเป็นธรรมชาติได้แต่แค่รู้จริงๆก็เนี่ยพระญาติเจ้าทั้งหลายเป็นรู้เนี่ยแหละรู้ว่ารู้ว่าเนี่ยไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างเดียวเนี่ยความที่รู้ว่ารู้แก่ใจว่าไม่ได้ยึดอะไรนั่นแน่คือวิหารธรรมของพระอาจารย์พระอาหารย์ทั้งหลายอ่าแต่ทําไมแบบเมื่อกี้จิตเรามันนิ่ง มากเลยมันเหมือนกับไม่มีคลื่นแทรกอะไรเลยแล้วอยู่ๆมันมันมีคลื่นมาแทรกเนี่ยเราไม่สามารถจะอยู่กับที่นิ่งโดยไม่มีคลื่นแทรกเอาก็ไอ้คลื่นแทรกกับเปลียนตอนมันมีคลื่นแทรกกับเปลี่ยนเหมือนตอนเนี้ยเขาใส่ไม้แจ้าแจ๊จ้าอย่างเงี้ยแล่ตอนเดี๋ยวก็ไอ้ที่กะเขาใส่ไม้เขาทาอะไรเนี่ยถ้าทํางานก่อสร้างมันดับไปมันจะมีเสียงดังเดี๋ยวจะเสียงดับเสียงดับเสียงดังมันเกี่ยวกับรู้ไหมรู้มันก็ได้รู้ว่ามีเสียงดังเสียงมันหายดับหายไปไม่มีคลื่นแทรก มันก็ได้แต่รู้ไม่มีขึ้นแทรกเที่มีมีขึ้นแทรกมันก็ได้แต่ไงเวลามีขึ้นมาแทรกในขณะที่มีความสงบก็ได้แต่อะไรได้แต่รู้ได้แต่รู้เวลาคลืนแทรกหายไปใจมีแต่ความนิ่งความสงบก็ได้แต่อะไรได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่ทีนี้เหมือนมันเหมือนที่หนูจะอธิบายคือเหมือนเหมือนความไม่สะเทือนในการในการฝึกของหนูที่มันจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยเราบอกว่ามันไม่เสถียืน แสดงว่ามันมีคงที่ได้เลยหร <c oughs> ือจะ อ, อะไรครงที่ตะเถียนเนี่ยอะไรนะ่ะทุกอย่างไปของไม่คงที่ไปของไม่เที่ยงหู้จะ อ, อะไรไปของคงที่ห <c oughs> นูต้องการตะเถียนเนี่ยคำว่าตะเถียนกระหนหนูต้องการอะไรอ้าพูดเอาเจใจทีคือบางครั้งก็ได้ก็ก็แค่รู้คําที่คำว่าสะเถียนในแค่นี้ในในที่นี้นนคือบางครั้งหนูก็แค่รู้แต่บางครั้งหนูก็หลงไปกับสิ่งที่ รู้แบบเนี้ค่ะมันก็จะสลับกันขับเข้ามาอ่าได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็แค่หลงไปอะไรแบบนี้ค่ะของตามันจะมันจะหนูถึงบอกว่าคําว่าหลงไปวิธีการปฏิบัติเนี่ยคาว่าหลงไปแล้วมาเป็นรู้ช่วยอธิบายหน่อยอยังไงมันเป็นยังไงที่เรียกว่าหลงไปจะได้ดูว่าถูกหรือผิด อบางครั้งมันหลงไปบางครั้งหนูก็หลงไปบางครั้งหนูก็รู้บางครั้งหนูก็รู้บางครั้งหนูก็หลงไปอย่างไรที่มันเป็นรู้อย่างไรที่มันเป็นหลงอย่างหลงไปในที่นี้อย่างอย่างหลงไปในที่คือบางครั้งมันมีทุกสภาวะอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันหนูก็พยายามดูคือเขาเรียกอะไรคะแค่รู้คือรู้ว่าเราทําอะไรพอหลงพอบอกว่าหลงไปในที่นี้คือบางครั้งเนี่ย มันเกิดอารมณ์บางอย่างเข้ามาปุ๊บมันจะไม่ใช่แค่รู้แล้วจิตหนูมันก็จะตามหลงไปกับอารมณ์ว่าโกรธบ้างโมโหบ้างหรือมันจะไม่ได้ดูค่ะมันจะไดไ้ไม่ได้แค่รู้แล้วแต่มันจะเหมือนกับเราจะผู้รู้เนี่ยเหมือนตัวเราเนี่ยจะไปอยู่กับสภาวะที่ไม่พอใจโกรธอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> แต่เดี๋ยวพอเรามีสติเราก็มาแค่ระลึกรู้ แบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ใช่แบบรู้รู้ตลอดเวลาเหมือนอยังมันเออที่หนูบอกว่ามันไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลาแล้วมันเป็นยังไงอธิบายจงรู้ตลอดเคือ ห, หมายความว่าหนูก็จะอบางอารมณ์เนี่ยบางบังขณะผิดเนี่ยมันจะแค่รู้ ก็คือเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราปฏิบัติกิจหรือว่าดูดูดูได้แค่ดูค่ะได้แค่รู้แต่พอมีสิ่งมากระทบบางอย่างหรือในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันก็มีสิ่งมากระทบแต่เราก็แค่รู้ได้ แต่บางครั้งเราก็แค่รู้ไม่ได้อะพระอาจารย์ที่หนูไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูด อ, อ, องไปยังไงคือบางครั้งเราก็แค่รู้ไม่ได้เราก็ต้องร่วมกับมันพระเจ้ามันเป็นมันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะอยู่ทิงบอกว่ามันก็เลย ท, ทําให้หนูยังสับสนว่าสรุปแล้วเนี่ยคือเราแค่รู้หรือเราเราไปควบคุมตัวรู้เหมือนที่หนูถามตั้งแต่ต้นว่า บางครั้งเนี่ยหนูมีโรคกวดหลงขึ้นมาจากที่รู้หนูก็เริ่มแบบไปควบคุมมันให้ลดโรคกวดหลงลงไปอย่างนี้ค่ะจัดูตอนแรกก็อาจจะแค่ดูว่าเออเรามีแต่พอมันพอมั น, พอ ม, นพอมันดูนานเข้านานเข้ามันก็อาจจะกลายเป็นเข้าไปลดละปล่อยวางแบบเข้าไปเป็นตัวเราเป็นอะไรแบบนั้นนะคะคือคือ ตอนแรกหนูยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายพอฟังหลวงตาหนูก็เริ่มรู้แล้วอ๋อให้ให้แค่รู้ไปเรื่อยๆสิ่งที่หนูถามคือหนูต้องการรู้ว่าสิ่งที่หนูปฏิบัติอยู่เนี่ยหนูควรจะต้องฝึกยังไงต่อไปให้ให้เกิดให้พยายามที่จะให้ตัวเองเกิดปัญญาในการที่จะฝึกยังไงต่อไปให้เข้าใจให้มันได้แค่รู้ให้ให้นานให้ให้ให้อยู่ในสภาวะแค่รู้มากกว่าอยู่ในสภาวะเข้าไปร่วม กับขันห้าที่ไม่ว่าจะอารมณ์ต่างๆหรือหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบอะค่ะทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกิเลสใเป็นกิเลสที่เราคิดว่ามันเป็นกิเลสจะได้เป็นอกุศลหรือว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นช่างเป็นอะไรก็ตามช่างมันทุกขณปัจจุบันได้ไม้ได้ นี่ค่ะหนูก็ไม่ได้คําว่าช่างมันเนี่ะเพราะว่าเราช่างมันทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างมันช่างมันช่างมันช่างมึงช่งมึงช่างมันช่างมึงช่างมันอย่างนี้ได้ไหมก็กําลังพยายามที่จะช่างมันทุกเรื่องค่ะพอพอพอพอเราอยู่คือยู่กับปัจจุบันคือคือณตอนนี้คืออยู่กับปัจจุบันไม่คิดไปข้างหน้าไม่ย้อนไปข้างหลังแล้วก็อะไรมากระทบถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามัน ขันเรากําลังจะไปตรงนั้นตรงนี้หรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะใช้อารมณ์คำคําว่าช่างมันเนี่ยค่ะเริ่มเข้ามาใช้ว่าเออช่างมันช่างมันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสมมุติว่ากําลังตักข้าวก็ตักข้าวให้มันแค่เข้าปากก็ถือจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตักใหม่ก็คือแบบนั้นหรือทํากับข้าวหรือว่าจะอืมมันมีการพูดมีการคิดการพูดทําก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็ช่างมันรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยคือช่างมันตลอดเวลา รู้อยู่ว่ามีการคิดการพูดการกระทาไม่ว่ามันจะถูกใจไม่ถูกใจมันว่าจะดีจะชั่วจะรักจะช่างอะไรก็ตามช่างมันช่างมันช่างมันตลอดอืมช่างมันทุกขณะปัจจุบันช่างมันช่างมันช่างมันช่างมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนอกจากนี้ไม่มีอะไรมีแต่มันจะเกิดขึ้นจะดีจะชั่วจะถูกจะทุกข์จะบุญบาปมันว่าจะเป็นอะไรก็ตามมีแต่สิ่งนั้น มีแต่สิ่งนั้นที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันมีแต่สิ่งนั้นที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจะว่าจะถูกใจไม่ถูกใจจะดีจะชั่วจะถูกจะตุ้งจะรักจะชังอะไรก็ตามเป็นแต่สิ่งนั้นเป็นแต่สภาวะอย่างนั้นมีแต่อาการอย่างนั้นอย่ตงตกไปตรงมาทุกขณะปัจจุบันมีแต่อย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วก็แล้วก็ après, เปลี่ยนไปมีแต่อย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปมีแต่อย่างนั้นเนี่ยมีแต่อย่างนั้นเองแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนอกจากนี้แล้วไม่มีอะไรเห็นแต่อย่างเนีกเห็นแต่อย่างเนี้ย สิ้นผู้ไปยึดถือสิ้นผู้ไปแทรกแซงสิ้นผู้ไปยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นยังไงก็สิ้นผู้ยึดมั่นถือบ้านมันจะเป็นยังไงก็สิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้น่ยไม่ต้องหาว่าอะไรคือรู้อะไรคือหลงคือทุกขณะปัจจุบันมันเป็นยังไงก็ช่างมันช่างมันไม่มีผู้ยึดบั่นถือมั่นรู้อยู่เห็นอยู่แค่เนี้ยว่ารู้แก่ใจว่าไม่ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไงมีปฏิกิริยายังไงก็ตามก็คือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั มันจะเป็นยังไงไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ฟ้าจะร้องฟ้าจะผ่าเหมือนกับภายนอกเปรียบเที่บก้าภายนอกอะอาการข้างในมันจะเป็นยังไงก็รู้อยู่ว่าสิ้นผู้ยึดมั่นถึงม้านสิ้นผู้เสบยไม่ว่ามันจะโอ้ยฟ้าเหมือนกับเทียบอาการภายในใจเหมือนกับภายนอกฟ้าสว่างสวัยเทียบอาการภายในใจเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงมากโอ้มีอะไรก็ตามช่างมันช่างมันช่างมันช่างมันมีแต่มันเป็นอย่างนั้นน่ะมีแต่อย่างนั้นเองมันเป็นแต่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่งตรงไปตรงมา แล้วก็รู้แก่ใจว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไป็หลองรับไม่มีใครไปยึดถือโดยไม่ต้องหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลไม่ต้องหาว่าอันไหนเป็นลงอันไหนเป็นหลงเป็นรู้อะไรแล้วที่สุดอ่ะมันเป็นยังไงก็ช่างมันช่างมันทุกขณะปัจจุบันรู้อยู่แก่ใจอย่างเงี้ยทุกขณะปัจจุบันว่าไม่ว่าจะดีชั่วสุขทุกข์รักจางเกลียดโกรธอิจฉาหรือเสียพอใจไม่พอใจไม่ต้องเรียกมันว่ามันเป็นมันเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลยแต่รู้อยู่ว่ามันมีอะไรอยู่ในเกิดขึ้นนมมาาใใจเรแต่่ไ มันรู้แก่ใจว่าแบบนี้สิ้นผู้เสวยแล้วสิ้นผู้ยืดมั่นถือมั่